ราเมรยาพะเนปจิตติยังังบุิปโตระเกะจิติยังระเกหตะมเนจิติยังภนาเียจิตติยังโยปะนาิกุปิุงถิงฆาเปยะปะจิตติยัง โยปนิกุอกิลานวิซิวนาเปโขโยติงสมาดะเยาวะสมาดะห้เปยาวะอันัตราชัทฐาูปะปัยาปาจิตยังโยปนะิกุโอเรนัถมาสั้งห้าเยยะอันัตรามยยาปาจิตยังสทายังสมโยดิโทมาโเซโซยิมหานันติวะาณะปะขะโมมาโซอิตเจเอตเยยะมาซาอุณะสมโยปะริลาหะสมโยกิลาณะสมโยกามะสมโยอัถนกรรมณะสมโยวาตวุฒิสมโยอังตัทะสมโย นบันาภิกุณาจิวาระลานกตินงรูปนครนนังอันตังรูปนครนังอดาตบังนิลังวะันังวะกาละสะมังวะอนาดาเจภิกุตินงรูปนครนนังอันตังรูปนครนังละวักวังริภูนเยะาิตยังโยปะภิกุภิกุสภิกุิยาสิกขะมานายวาสะมันนรสวาสะมันนายริยาวาสะมังกวังวิกเปตวาอปะรังปริภุณเจยะาิตยังโยปะภิกุภิกุสะปัตตังวีวะรังวนิสีดังวะสุจิขะรังวะกายปัญถะนังวะอปว มันตมะโซฮาชาเปโคปิปากิตติยังสุราปานาโกรชัดอโยปนานิคุสัิตาปานงจีวิวโรเยปาจิตติยังโยปนพิคุจานังสปานอกังุังปริพุนเจยปาจิตติยังโยปนพิคุจานังยะาธรรมังนิหตาทิกรมังนกัมมาโกตังยปาจิตติยังโยปนานิคุปิกุสานังดุททนลังอาปติงปะณิชาเดยปาจิตติยังโยปนพิคุจานังูณวีสติวัตสั่งปุกังกุปสัมปะเดยยะโสจักปุกโลอนุปสัมพันโนเตยปิโคกาไรยะอินังตั ปัตตัจนตมโสามันตรัมปิปจิตยังโยปนภิภูมาทุกเมินทัถิงสังวิทยาเจตานามังดังปัตติปัจเจยันตมโสามันตรัปิปัจิตยังโยปนภิภูเอวังวตยตถท่ภิวตาธมเดชังอาจานามิยะาเยเนอันตรายิกาธมาุตตาภวตาเตปิเทวโตนาังอันตรายายาเตโซภิคูภิคูหเอวังมัสวจณียโอมอาจฉมาเอวังกวาจมาภิวันตังกาปาคิกินหิธาตุภิกขวตอภัานันหิภิกขวเอวังวัต อันตรายายติเอวันจะโซภิกุภิกูหิวัตถาโนตเทวะปัจันรยะโซภิกุภิกุหิยาวัตติยังสมโนภาสิตัมโบตจจัตตินิสันดายะยาวัตติยังเจสมโนภาสิยะมโนังปิิสเจยะอิเจสังกุสลังโนเจปิิตเจยะปาจิติยังโยปนะภิกุจานังตถาวดีนาภิกุนาอากาานุธรรมเะังติทิงปัตินิสเนสัทิสัมผัสยาวสังวะสยาวสหาวเสยังตะเปยะปาจิติยังสมโนเตโซปิเกเอวังวัตตยะตถาั่นภิกขะวาธรรมังเดสิตังอาา ปัญญาวตาเตปันิเสตปโตนาลังอันตรายาติ โซ่สมนุเตโซภิกขหิเอบมัสะวจนโยมาอาุโซสมนุตเตสาเอังกวาจะมาปัจันตัอาภาคิคินหิฆาตุปวาตอภาังหิวาเอังวเดยอเนกาปริยาเยนาุโซสมนุตเตสาอันตรากาธรมาบุตตาวาตาอลปนเตปติเสวโตอันตรายายาเจโซสมนุตเตโซภิกขูหิวิตกามโนตเทพบกัญสเนยโซ่สมนุตเตโซภิกขุหิเอบมัวจเนโยจะตเกเตอาบุโซสมุตเตสาเนเกวโซ่ปวาสท้าอาปิสิตัโบยัปิ สัยยังซาปิเตนะติจระปิเรวินาโยปนะิกุจานังกาาสิังสมนุเตังอุปลาเยาวะอุปพาเยาวะสํมเจยาวะวะสัยยังเปยยปาจิตยังสปานะวะโกสัตมโโยปนะพิกุปิู่หิสหธรรมิกังุตมานุเอวังวัติยาณตาวะหังอาวโสเอตมิงสิกขเิกิมิยาวะนัุ่ปะยัดตังมีนังปริภูชามีติปะจิตยังสิกขะมานนะพิกเวปิคุณะอนตบังปริภิตตังปริปันสิตตังสัยังตถาจามีเจโยปนะพิกุปาติโมเข้ก ปเอุดิให้ยาวะเวะกุปุจายามีเฮส่าอยากมีเลขายากังวตันตีติสิกาปะดบิันนเอยปาจิตยังโยปนะิอันวัถมาสั่งปาตโมเขอุิตามาเนเอวังเวตยอิดานวะโกอหังอาจานามิอาญปิกิรธมโมสุตังกโตสุตปริยาปโนอันวัถามาสั่งอุเดสังอาเดตตตัเจปิคุงอันไงปิคุจาในยงมีสินาปุบังอิมนาพิคุณานิพิติขดุงปาติโมเข้อุติตามาเนโอนะวารโดภิโยติ โรเบตัมโบตัเตอาุโซอาลาตัเตดุลลทังยังตรังปาโเกอุดิตมาเนาตุกางอัตมิขตปามาลิกโรซีติอนังกตมิโมหะเปาจิติยังโยปนะปิกุปิคุจสักุปิโตอนัตตะโนปหารังะเยปาจิติยังโยปนะิกุปิุสุปิโตอนัตตะมโนตัตติังอุกิเรยปาจิติยังโยปนะิกุปิุงอโมระเกณะสังขาดิเสนอนุังเซยาปาจิติยังโยปนะปิกุปิุสักัจิกัุุังอุปะขยีติสามหตัมปอภาสุภวิสตตเอติ อนานังปปสุติงทิฏฐิยังอเมพิติตังโสชามีทิเอตเดวะปยังกริวานางฟาจิตติยงโยปัาภิกขุธรรมิกานกมมานังันดังดัตวาปชาคียาธมอาปัจญญาจิตติยังโยปัาภิกขุสังเขมีนิยากทายัตมานายช่นนาดัวาอุพาานาปกาเมยาปจิตติยโยปาภิกขุสมเกนสัเขนชีวังดัตวาปชาคียานธมังอาปัจญญาถ้าชั่ตุตัภิกขุสังคิกลาพังปรินะเมนติปาริจิตติยังโยปัาภ โยปนะพิคุรัญโติยัมุทาิจิตตตะอนิขันตราชเกออนิกตระตะนาเกอภบนิกังวิติโตอินเกีลังอติการเมยปาจิตยังโยปนะพิคุรัตนางวารัตนาสมตังวาอนยัตรอชารามวาอาาวัาวาอุกันเนยวาอุกันหน้าเปียวาปาจิตยังรัตนางวาปนะพิคุนารัตนาสมมตังวาอาราเมวาอาาวัจเทวาอุเหตววาอุกันหน้าเปตวาวาในขีปิตํมังยัตตาปวิสติโซหาวิสติจิยังตตาสามีโยปนะพิคุสันตังิกุอนาปุชาวิกาเลหงามกวิ กิตติยังโยปนะิกุอถิมยังวานันตมยังวาวี่ามายังวาสูกีกังการาเปยเพละนักกังปากิตติยังนวันนะพิกุลามันจังวาปีพังวะการยะมาเนนะอัังกุลปารังารเอตัมบงสุกตังกุเลนะอัญระเหตุหิมายะตโตเชตนกังปากิตติยังโยปนะพิกุมันจังวาปีพังวาตูโลนทังการาเปยอุดาละนักังปากิตติยังมิสีนนะิกุนาการยะมาเนนะประมากังการเตัมบังตัตตรีตังประมามองดีขะโสตเววิดาิโยสุเกตบิด กิติยังกันดูปฏิชาิงปกุณาการระยะมาเนนกปะมาณไมกาการเรตัมบาตตริดังประมานองดีขะโซจัตติโยสุขตวิติยาติเรียงชาวิตติติเรียงเดววิทติโยตัอติกามยโตเชตนะกลงปายิตติยังวัสสิกาสาติกังปนะพิกุณาการระยะมาเนนัประมาณไมกาการเรตัมบาตัตริดังประมานองดีขะโชาวิทติโยสุกตติวิทติยาิเียงอัตตยางอติกามยโตเชตนะกงปลาิตติยังโยปนะพิกุสุขตตีวะรับประมาองกีวะรังการาเปยอติเรกังวาเชตนะกลางปลายกิตต ิโยสุกัจวิทัติยติริยังชักวิรัติโยอิดังสุกัจะสาสุกจะชีวรัปปามานงราตนะวะโกนะวะโมอุดิาคุอายัตสัมโตดเวงวติบายติยาธรมมาสะถายัตสันเตปุชามิกะจิทธาปริสุทธาตุติยมเปุชามิกะจิทธาปริสุทธาตุติยมเปุชามิกะจิทธาปริสุทธาปริสุทธะยัตสัมโตตัชมาตุนีเอวะเมตังการะยา อิเมโคปนาเยมันโตจตาโอปาิเดสัญาธมมาอุเตสังอาจันโยปนาทิคัญญาติกายทิคุณิยานิยังวาโผญิยังวาสหะตปตุงเหตวาค้าเดยวาผจยาวาปัตติเดสับังเตนาปิคุณาการยังอาวโสธมอาปจิงัสตพายังปาติเดสัญญาังตัปติเดเสมิเดปิคูปนาปกุเลสุติมันติตาลจันติสัตราเจปิคุนีโวซาสมารูปาาโหติอิูปังเดทาอิตาโอดังเดทาเดเดหิตปิคูหิซาปิคุนีอปสาเตตมบาอปสกาตาวพาินิยาวาิคู ีเติิพิคโนนาปังในพาเตยัตังพิคุนิกระตะเตุงวะปสกาตพินิยาวะพิคุขุนจีติปังในเดเตตับังเตหิตพิคุหิการิจังอาวุโสธรรมังอาปัจิมหาสัายังปาปังใเดนียังตังปังในเดเมาเดยานิโคปนาตานิเศะสมุตานิปุลานิโยปนาพิุตารเตสุเศะสมุเตสุกุเลสุุเบณิปันติตวัดิลานโอฆาเดนิยังวาโผเจนิยังวาสาธาปังในเหตวาฆาเดยาวาปุนเดยาวาปังในเตับังเตนาพิคุนาการิจั่งอาวุโสธรรมังอาปัจิ โนาตานิอรัญญกานิเจนาสนานิธาสังกัตมมานิสัตสขยานิโยปนพิคุตธารูเสุเสนาสนีสุอวิหารันโตกุเะปปัญชังปิฏัง้าดเนียงวาโผจนียงวาอชาราเมสาาปตเกตวาอภิราโอคาเดยาวาผลเจยาปัญเดเสตบังเตนพิคุณากาไรชังอบุโตธรรมังอาปะจิงอสปายังปาตุนเดสเนียงตังปัญเดเสมีเดอุดิตาโอายมันโตจตารูปาตุนเสเนียธรรมะตัทธายัมันเตปุชามิกาติธาปริสุธาติย สีตบริจุทธาบริจุเททธายัสมันโตตัสมะตุนนีเอวะเมตังธารยามี